ป้นสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายให้ลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมหสดบันดิตที่ฟังมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกหลานยงจำไว้ว่าคนที่ดีแต่นินทาชาวบ้าน ดาชาว่านติชาวบ้านลักษณะคนแบบนี้เป็นลักษณะาาของคนเลวบางทีตัวเองมีความดีไม่เดียวเขาแต่ก็เดียวคุยู่ใครเขาทาที่ไหนก็ ต, ทนนติที่น่นติที่นี่คนช่างติเป็นลักษณะาาของคนเลวคนประเภทนี้เขามันดาลูหลานทั้งหลายจงอยา่าสนใจและจะปฏิบัติตามเมื่อพบแล้วคงจงอยา่าคบหาสมาคมคนประเภทนั้น นะเช่นนั้นเป็นลักษณะของนเลวที่ไม่ควรครบลู้หลานจงจําไว้แล้วก็จงยาแบบนั้นดูตัวอย่างอย่างอาจารย์ทั้งสี่มีเซนกเป็นต้นนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดีฉะนั้นนักว่าบรรดานลูกหลานจะโตไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเวลานี้ก็ตามทีถ้ามีใครเขมามาหลอกมาลวมว่าพ่อของเราไม่ดีแม่ของเราไม่ดี ครูบายอาจารย์ไม่ดีลานเป็นอยู่แบบนี้ไม่ดีอะไรก็ตามเถอะอย่าไปเชื่อเขาถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้มีดามาันดาหรือท่านทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่ความดีมันอยู่ที่เราจะซื่อสั์สุจริตต่อกันไหมมีความหวังดีไหมคนที่ดีจริงๆแนละ้วก็ทําอย่างนี้หนึ่งรมื่มรักกันอยู่เสมอ ไม่ช้สัญญาใครไม่ว่าใครเลวสองสองสารเกือ้อกูลซึ่งกันและกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีจิตรักใคร่ในกันแล้วสามเวลาที่จะพูดจะคุยก็ใช้วาจาอ่อนหวานไม่กล่าวโทษคำวคนอื่นนี่นั่นก็ประการที่สี่ ใช้ปัญญาพิจรารณาเหตุผลอย่างมโหสถจะทําอะไรก็ตามใช้ปัญญาพิจรารณาว่าโอ๋หนอเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริ ง, นรงคนหรือไม่คนดูดอย่างตัวอย่างเรื่องชิ้นเนือโมโหสถใช้ปัญญาเพราะเด็กๆด้วยกันวิ่งเหงนหน้ากันไนนะ ป, น ไ, ปไม่ตาตาตุ่มมันมองไม่เห็นนี่พนเพรานุดล้มลุกคลุกคลานโมโหสถเขามีปัญญา เง็นหน้าก็ไม่เง็นวิ่งไปแล้วมองดูเงาของเหวเพราะไปถึงเงาก็แสดงว่าถึงเหี่ยวแล้วก็ทําเสียงปรบมือมือตบเสียงปล่อยเสียงดังเดียวตกใจปล่อยชิ้นเนี่ยเวลาไี้เยวปล่อยชิ้นเนื้อมันก็มีเงาถึงเงาเข้าว่าเง็นหน้าคือไปรับตามกระแสเงาเงามันหล่นมันเฉียบเท่าไหร่วิ่งไปทางั้น ไปตามเงาของชิ้นเนื้อพอถึงก็รับปรับได้ทันทีชินเนื้อไม่หลน่นอันนี้ลูกหลานที่รักจําไว้นะจ๊ะจําไว้จะได้ว่าใช้ถ้าเราลงฉลาดแต่มันใช้ได้ทุกอย่างเรื่องมโหสดนี่เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาได้ดีท่านลูกหลานฟังไปแล้วก็จะดีมากจําให้ได้นะแล้วพยายามปฏิบัติตามด้วยจะมีประโยชน์มีเรื่องต่อไป เรื่องต่อไปนี้ท่านบอกไปเรื่องที่ไม่นิชัยคำว่าไม่นิชัยที่หมายถึงการตัดสินเรื่องของโขตูหลานฟังให้ดีนะจ๊ะท่านกล่าวว่ามีชายชาวปราจินปราจินยวมัชคามันคือคนบ้านนั่นเองคนหนึ่งซื้อโขซื้อวัวเน่มันหนึ่งตัว สณะที่นําบัวมาไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้กินหญ้ายอยู่ตนเองก็นอนเฝ้าเจณฑนอนเฝ้าหรือเกณฑหลับเฝ้าเนี่ยมันแน่น่าก็ยันหลับเฝ้านั่นนอนเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ลมพัดเย็นๆกําลังสบายอากาศเปิดโปร่งก็เลยหลับไปเนายนุ๊นปว่าแล้วเกณหลับเฝ้าที่ไม่มีโจรคนหนึ่งเห็นเจ้าของโคหลับก็ย่องคาลักโคหนีไป ชายเจ้าของโคต่งขึน้นมาไม่เห็นโคก็เที่ยวคนหามองเห็นจนจงโคไปก็วิ่งไปจนถึงตัวแล้วก็จะค้อถามว่านี่แกแนะนำโคขงเขาไปไหนจนนี่ตอบว่าอะไรนี่แกแกมาพูดอะไรกันมันมึงโคของข้าต่างหากละ่ะ ถ้าโคของฉันฉันเพิ่งซื้อไปเอามาเดี๋ยวนี้นี่ทําไมกันมาบอกว่าเป็นโคของแกถ้าจะนําเอาโคเข้าไปเลี้ยงน่ะข้าไปซื้อเขามาสิแหมตัวตั้งเกือบพันกะอาบน่ะอะไรมาก็ตัตัวว่าเป็นโคของแกเนี่ไปเดี๋ซ่อมซะเลยมีลักษณะของโจรชายเจ้าของวัวก็ไม่ยอมเจ้าวัวของตัวโคไม่เอาโคเอาวัวดีกว่านะ เอาวอลก็อนตนคืนมาให้ได้ฝ่ายเจ้าจรมันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ้างว่าเป็นของของตนอีนี้มันไม่มีใครตัดสินนี่มันตัวต่อตัวดีนะจะต้องตัดสินก็ได้เสาได้เข่าแล้วได้อาวุธถ้าเวลานี้ทีนี้ต้องตัดสินก็ได้เอ็มสบหกแล้วมันโปูยยิงเข้าไ้บ่อยเขาโกรธกขนมนทีไ้ยิงด้เอ็มสิบหกมแย่ ตั้งเถียงกันอยู่แบบนั้นตกลงกันไม่ได้ไม่จะตกลงกันยังไงเจ้าของก็จําบวงเอาได้แต่ว่าเจ้าของหมดมันก็บอกขอ ง, ของมันบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นจนํานวนมากเห็งเขา้าห็นคนตั้งสองเถียงกันมายืนอยู่มองดูอยู่แน่นนี mm ่ hmm. เรียกว่าระบบไทยมงเขาจะทะเลาะกันที่ไหนฝ่ายจะไม่ที่นังเนื่อยก็จะเรื่องจะเกิดที่ไหนไทยมงมุงแน่น แต่คนสมัยนั้นคงไม่ใช่คนไทยคงจะเป็นแขกหมงุงโมโหสดนี่เป็นชื่อแขกสำหรับท่านมโหสดบันดิตเมื่อได้ยินเสียงคนเ อ, อะอะวยวายจึงไปดูเห็นคนเอาสองเถียงเถียงกันแบบเคร่งเครียดเกือบจะลงมือกันอยู่แล้วจึงให้คนไปเรียกมาโมโหสดเห็นหน้าก็รู้ว่าใครเป็นยอดข่มบัวแล้วใครเป็นโจรคนระกลกัวแต่ทังว่าไม่ถาม ลูกหลานที่รักลงนึกสักนิดนี่ว่าลูกหลานทํำยังไงคิดยังไงจึงจะตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าของบัวไม่ใช่เจ้าของบัวนี่เป็นอันว่าเขาไม่ต้องไปเรียนกฎหมายกันนะเอากันแบบตรงไปตรงมาในการใช้ปัญญานึกออกไหมจ๊ะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของต่างคนต่างก็ตั้งท่าถือว่าเป็นเจ้าของ ถ้านึกยังไม่ออกหลวงปู่จะบอกให้ฟังท่านมาโคสดจึงถามว่านี่ท่านนางสองท่านทะเลาะ ก, กันในเรื่องอะไรจ๊ะเจ้าของโคก็ตอบเจ้าของบัวก็ตอบว่าเข้าไปเจ้าซื้อวัวเข้ามาตัวนี้มาขณะที่นําไปเลี้ยงเข้าไปเจ้าเผลอหลับไปชายคนนี้เลยลักวัวของเข้าไปเจ้าหนีไปเข้าไปเจ้าตื่นขึ้นมา ไล่ตามไปเห็นชายคนนี้จูงวัวไปเข้าเจ้าขอคืนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาซื้อเขามาเป็นโคของเขาเข้าเจ้าขออ้างเอาเจ้าของโคกัเจ้าของวัวคนที่เข้าเจ้าซื้อมาเป็นพยานเพราะว่าสดหันไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาว่าท่านรักวัวของเขาไปท่านจะว่ายังไง ดูลหลานนึกตามไปดูในจ้าว่าจะตัดสิ น, นยังไงชายที่เป็นโจงตอบว่าเจ้าวัวตัวนี้เป็นของข้าพเจ้าเจ้าคนนั้นมันพูดปดจะ่าไปเชื่อมันเลยถ้าเป็นวัวของมันแล้วก็มันต้องอยู่กับมันนี่วัวข้าพเจ้านํามาเลี้ยงมันก็อ้างว่าเป็นวัวของมันนี่มันโกงท่านมหาสดเป็นในจริงกล่าวว่าเราจะตัดสินความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรม อัานังสองจะยอมฟังคำวินิจฉัยทึการตัดสินของเราไหมถ้านังสองรับคำนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุเจปีเท่านั้นนจะจ๊ะโอ้โสดที่ว่าการตัดสินและวินิจฉัยครั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาติของมหาชนแล้วท่านจะได้ถามโจนว่าท่านให้วัวของท่านกินแล้วก็ดื่มอะไรเอาสิ เนี่หนไหมถ้าใช้ปัญญาเนี่ยเพราะการตัดสินนัะไม่ใช่จะเห็นว่าสมาติของคนเออเพราะความคิดของนตนเองนะถูกต้องท่านตัดสินเห็นว่าคนส่วนมากเห็นด้วยจึงจะตัดสินเพราะการใช้ปัญญาไม่ใช่จะไปอ้างว่าอะไรอะไรกับประชาชนต้องการประชาชนกี่คนต้องการแบบชนิดที่เขเดินข บ, บวนกันบ้างทําลายเศรษฐกิจของชาติ ทำลายโน่นทำลายนี่ทำลายมิดของประเทศทห้ประเทศเย่อยยับถึงกับ <c oughs> ถึงกับเราเกิดจะล่มจมอ้างประชาชนนี่มันไม่ใช่ถ้าอ้างประชาชนต้องให้ประชาชนทั่วไปจริงเขาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้สมควรดูที่อย่างมโหสถนะนึ่ถามจนว่าท่านให้โคเ ข, ขาไม่กินและดื่มอะไร เจ้าจนก็ตอบว่าข้าว่าเจ้าให้ดื่มยาโคไงข้ายาโคนะที่ข้าวมันเป็นน้ำนมเข้ามาทํายาโคแล้วก็ให้กินให้กินแป้งให้กินถั่วแล้ว ไ, ไม่น่าจะ ง, ง, ง้อเลยง้อกินยาน่าแล้วท่านบอกเขาสได้หาหันไปถานเจ้าของบวัวชายเจ้าของบวัวก็ตอบว่าข้าว่าเจ้าเป็นคนจน ไม่มีของอย่างนั้นให้กินหรอกให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวเพราะพระเจ้ า, ปจาเป็นคนจนนี่ถ้าไปเอาทําแบบนั้นเข้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วพังนี่ไม่สามารถจะหาข้าวอย่ากูฮั่งอา ห, หาแป้งมาให้กินได้นะแต่มโหสดสนดิทได้ฟังคําของคนทั้งสองให้การก็ตั้งใจว่าจะให้เพื่อจะให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏ จึงให้คนใช้คนที่รับใช้นะคนใช้ของพ่อนะคนรับใช้ของพ่อไปเอาใบาปะโยงลูหลานถามคุณพ่อคุณแม่นะป้าใบใบยงมันเป็นยังไงจะได้มาใช้เอาใบาปะโยงมาตำเข้าในครกขายา้ำดินน้ำให้โคดืม่มเจาโคอดื่มเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ไอเจียนออกมาให้ใบหญ้าที่มโหสถ อัาก็เจียนออกมาเป็นใบหญ้าหมายความเขากินหญ้านี่กินอะไรเข้าไปเจียนออกมาสิ่งนั้นมันก็ออกมาอย่าลืมนะทวิทีทดลองให้ใบหญ้ามันก็ออกมาที่มอว์สดมินิจิมเรกาศห้หมาบันดาประชาชนที่มาประชุมกันมองดูแล้วหันไปถามโจรว่าเจ้านี่เป็นโจนลับวัวของเขาไปจริงไหม จะบอกให้กินถั่วกินงานกินอะไรต่ออะไรกินยาโคดมี่โคมาเจียนออกมาเป็นยาดั้จะเป็นยาโคได้ยังไงเื่นถั่วปีงาได้ยงไงเจ้าโจรก็รับสารภาพว่าตนเป็โนโจรจริงบรรดาประชาชนก็กุ้มลุมกันเข้าไปจับตัวโจงดึงออกมาแล้วต่างก็กทุบตีทุบบางตีบ้างเตะบ้างชกบ้างหล่อซะบอกจะบอกช้ำไปนี่มาตีมหมายโจแท้ ให้มาขอสดมนิจเพียงขอร้องให้มนดาประชาชนหยุดลงธรรนกรรมโจรเป็นหยุดลงโทษโจรประชาันแล้วก็ให้ว่าแกจนว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะเจ้าได้รับโทษในคราวนี้เพียงเท่านี้ต่อไปในภายหน้าจ ะ, จะจะรับโทษยิ่งกว่านี้อาจจะถึงตายเพราะว่าสมวบ้อนเกลียดหน้าเจ้าเสแล้ว บรรดาประชาชนที่ยืนรุมกันอยู่ที่นั้นก็มีอํามาตย์ที่พระเจ้าวิเทหาราชส่งไปมีไปประชุมอยูด่ด้วยจึงได้นาความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหาราชในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหาราชก็ถามถ้าอาจารย์เสนนกขจรนองสีมีเสนกเป็นตน้นท่าอาจารย์พระเจ้าเท่าสรพัดพิษผู้มีจิตเสียยัง ถามเป็นว่าถามอาจารย์สารพัดพิษนะเสอาเสนกอาจารย์เสนกที่หลวงปู่ว่าสารพัดพิษจิตมันเป็นพิษลิทยาคนอื่นถามว่าท่านอาจารย์ถึงคราวที่จะนํามาขอสถมาแล้วหรือยังเจ้าจอาจารย์ทั้งสี่มีเสียนกเป็นเป็นตน้นกราบทูลว่าขอเนเช่เรื่องโคใครใคก็ไินิจฉัยได้ ไม่เชื่อว่าเป็นบรรคนที่เป็นบัณฑิตจะถือว่าเหตุเท่านี้เป็นสําคัญนั้นใช้ไม่ได้ยังยังไม่เป็นคนจะหลาาคอยรอไปก่อนเธอพระเจ้าขันท่านพระเจ้าวิเทหรารก็สั่งให้หมาคอยดูต่อไปคราวนี้มาเป็นเรื่องวินิจฉัยเขาเรื่องเครื่องประดับทําเป็นป้องปลอ ง, องท่ากล่าวว่ามีหญิงเข็นใจคนหนึ่งทอยเครื่องบระดับเป็นป้องปลอง ที่ทำใบใสเป็นสายสอยคล้งคองคอออกมาวางไว้ที่บนบนผ้านะเขาออกมาวางบนผ้าแล้วก็ลงไปอาบน้ําที่สปประโบกนีไอ้สปประโบกนีคือสระใหญ่ๆน้ำใสมีบัวที่สวยนั่นเองนะโอ้สดบรณัณฑิดซึ่งเป็นสาะที่มโหสถบรรสร้างไว้มีหญิงสาวคนหนึงห่งเห็นเครื่องประดับนั้น ก็นึกอยากจะได้จึงยิกขึ้นมาแล้วก็ชมว่าแหนเธอให้ส้อยของเธอนีนสวยเหลือเกินนะจ๊ะแล้วผู้กเยาะของว่าไหนฉันขอลองสวมคอหน่อยได้ไหมนะได้ไหมหญิงเยาของให้มือก็ับเธอเป็นคนซื่อเธอก็บอกว่าเอา้าลองลองดูก็ได้ลองสวมดูก็ได้หญิงสาวคนนั้นามาสวมแล้วก็เดินหนีไป ญิงเดือดของยิงรีบขึ้นจากสารน้ำผัดผ้าแล้วก็วิ่งตามไปยึดชายผ้าคุณหญิงสาวแล้วพูว่านี่เองจะเอาใส่สร้อยมันไปไหนจ๊ะหญิงสาวนั่งพูดถึงขังเขาก็เถียงนี่เมื่อเขาอยากเอาเขาก็เถียงไอ้คนพุชจริตจะมาปากมันจัดยิงเถียงว่านี่ข้าไม่ได้เอาของเองไปนะไอ้เครื่องปันดับสร้อยคอนี่ยเนของข้าต่างหาก ถ้าเป็นของเองก็อยู่ที่เองสินี่มันเป็นของข้ามันไม่ไดอยู่ที่ข้าขณะที่หญิงทั้งสองเที่ยงกันอยู่ปรรชาชนก็มามองดูอีกเพราะมันใกล้ชลาลูกหลานที่รักลงไม่ใจใจว่าถ้าลูกหลานเป็นมโหสถจะตัดสินว่าอย่างไรถ้ามโหสถบันดิตกําลังเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กได้ไยินเสียงโตเถีงยงผู้หญิงทั้งสองทะเลาะ ก, กัน ยิงไมเรียกมาพอเห็นหน้าก็ทราบว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเพื่อให้ข้อที่จริงเป็นประจักษ์ประจักษ์กรมมันดาคนทั่วไปเพื่ถามคนทั้งสิงนทั้งสองว่าท่านนางสองเนี่ยเชื่อจะเชื่อฟังคำวินิจัยของฉันไหมคำว่าวินิจัยก็คือการตัดสินวินิจัยไหมว่าพิจารณาว่ามันถูกมันต้องข้างใครแน่ไม่แน่ ยี ห, หนึ่งสองรับคำว่าจะเชื่อธรรมโอสดยนงถามหญิงสาวก่อนเจ้าเอาของหอมชนิดใดยอมเครื่องประดับคาว่าหญิงสาวไม่หมายความหญิงขโมยเนะี่ยไปเครื่องประดับนี่เขาไม่ได้ทำในทองคำเอายาบล่องมาทำเป็นบะล่อ ง, ลองแล้วใช้ของหอมถามว่าเจ้าเอาของหอมประเภทใดชนิดใดมายอมเครื่องประดับนี้มันจึงหอม ยิงสาวก็โมยเธอไม่ได้เป็นยจของเขาจะอึ้งก็ตอบส่งเดชว่าข้ายเจ้ายอมเไปไ็นเจ้าของอทุกอย่างมันจะมีไหนอ่ะไม่น่าจะโง่แบบนี้หมอสถหันไปถามยิงยจ้ของยิงยจ้ของก็ตอบว่าขบายเจ้ายอมได้ดอกใโยองอย่างเดียวเจ้าค่ะท่านหมอสดจีให้นำพระยนะ์มาใส่น้ําแล้วก็เอาเครื่องประดับแช่ลงไป ให้คนที่รู้จักกลิ่นมาพิสูจน์ดมเครื่องประดับนั้นคำว่าคนที่รู้จักกลิ่นรู้จำกลิ่นได้เนี่ยเอาคนอื่นมานะไม่ใช่คนที่ยืนมุงอยู่นั้นมาไม่้เกิดเดี๋ยวก็จะเข้าคนนนคนนี้เมื่อคนรู้จักกลิ่นดมดูแล้วก็บอกว่ากลิ่นดอกประยองขารัแต่มโมโคสดินถามหญิงสาวขโมยว่าจเจ้าเป็นคนขโมยของเขาใช่ไหม หญิงสาวคนนั้นกรับสารภาพนี่เรื่องราวนี้ก็ตกกับเพียงพระเจ้าวิเทหราชเจ้าเจ้าเสนกศี่าสละ พ, พัทพิษก็ยับยั้งต่ําเคยนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องวิธีใช้เรื่องได้กลุ่มหญิงเี้าของไร่ฝ้ายคนหนึ่งเก็บฝ้ายจากไร่มาเป็นเส้นเล็กๆแล้วเอาได้มาปั่นพันกับมเมล็ดมาพรับทําให้เป็นกลุ่ม แล้วก็เดินทางจะกลับบ้านก็ <c oughs> เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสระปกติก็คิดว่าควรอาบน้ำเสียก่อนเอาผ้ามาวางไว้ที่ขอบสระเอาได้กลุ่มวางไว้บนผ้าอีทีหนึง่งแล้วก็ลงอาบน้ำํำขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มก็นักอยากจะได้จึงได้พูดว่าไม่ได้นี่ดีจริงๆนะนี่ เจ้วของอยู่ในน้ำนี่แล้วก็หยิบใส่พกเดิ น, ๆๆนี่เฉยๆหีิจ้ของเห็นดังนั้นจะไม่รีบขึ้นจากสานน้ำแล้วก็ผัดผ้าวิ่งตามหญิงขโมยไปดึงผ้าไว้แล้วก็ถามว่านี่เธอจะได้กลงข้าไปทำไมเธอและเองก็ไม่ทราบเลโกรธเออาจจะเองก็ได้ หญิงขโมดยก็เถียงว่านี่เอนี่แม่คนนี้นี่มาโตจริงๆนะไอ้ น, นี่มันได้ของแกมาเลยนะถ้าได้ของแกมันก็อยู่ที่แก่นี่มันได้ของค้านี่แกเสือกจะมายื้อมาแย่งมาหาว่าฉันเป็นขโมยนั่นี้ไม่ดีเดี๋ยว ม, มีเรื่องอ่นะน่ะเอาแล้วสีแกเป็นนักเงเป็นนั้นว่าก็เถียงกันทะเลาะ ก, กันอีคนนี้สงครามวาทะก็เกิดขึ้น ท่โมฮอสดกำลังเล่นอยู่มโหสดยังเลขกหญิงนั่งสองมาถามว่าเด็กหงถามหญิงที่เป็นขโมยก่อนว่าเจ้าพันได้เนะี่ยมีอะไรอยู่ข้างในนการตัดสินนะหญิงขโมยก็ไม่รู้นี่ก็ตอบสง่งว่าไอ้ได้เนี่ยมีเมล็ดฝ้ายอยู่ข้างในโยค่ะอันไม่ถามหญิงที่เป็นเจ้าของหญิงนี่เป็นเจ้าของแต่ว่า ฉันมีเอามาเม็ดมาพลับเอาไวขา้ข้างในเป็นแกงอยู่ขา้างในพอ ส, สดจะในครื่งได้ออกก็เห็นเม็ดมาพับอยู่คนไงในหญิงขงโมยสารภาพผิดว่านามเป็นค ข, ขโมยอันดาประชาชนก็โ hor สรรเสริญว่าโหสดบัณฑิตเป็นคนฉลาดแท้เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ก็อ่ำหมายก็ส่งข่าวไปถึงพระเจ้าวิเทหราช เป็นนว่าตาเสนนกเท่าสรารพัดพิดเพราะเพื่อนสามคนก็ยับยั้งว่ายังก่อนปัญญาเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักปราดิษฐจำให้นี่นะลูกหลานที่รักจะได้ยาาย่ังนี้มาทำลายตัวเองโวระยกย่องเขาไม่ได้ตอนนี้ไม่เรื่องหนึ่งเรื่องวินิจฉัยเรื่องบุตรเป็นลูกอะใกล่าวว่ามีหญิงคนหนึ่งพาลูกไปสาบโกรณีเขามโหสถบัณฑิต ต้องการจะล้างหน้าจึงลูกวางไว้กับผ้าตนเองลงเป็นล้างหน้าขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งนางยักษินีนีก้ก็หมายถึงคนดุกรายเห็นทารกนอนอยู่นึกอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีคือเป็นหญิงมาถามว่าทารกคนนี้น่ารักจริงๆเป็นลูกของเธอหรือหญิงก็เป็นเหมือ น, น, นเป็นมันดากระเบว่าจ้าลูกฉันเองจ้ะ นางยักษิศีแปลงยังพูดว่าฉันจะให้ทารกกินนมดื่มนมฉันครั้นหญิงมันดาอ น, นุญาตินางยักษิศีแปลงก็อุ้มทารกใส่บาแล้วก็เดินหนีไปหญิงพวกเป็นไม่เห็นเข้าดังนั้นจึงได้ออกขึ้นจ่าสาวโปคนีเขาก็ไล่ไปจนทันพูดว่านี่เองจะพาลกกูกของข้าไปไหนนางยักษ์แปลงก็ตอบว่าอะไรกันเธอ เด็กคนนี้มันเป็นลูกของฉันนะไม่ใช่ลูกของเธอจะมาโตฉันทำไมทั้งสองก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนได้ยินไปถึงว่าหสถบัณฑิดหมอสดจึงได้เรียกเขมาถามถามว่า น, นี่เรื่องราวไปยังไงนะเวลามันจะหมดต้องรีบหน่อยนะทั้งสองก็แจใหยทราบว่าให้ทราบหมอสถก็บอกว่ายิงคนนี้อมเด็กนะั่ะเป็นนางยักษสินีไม่ใช่ลูก นั่นไม่ใช่แม่แท้เพราะตาไม่กระพริบธรามัญตาธรรมดาในรถยักษ์ตาไม่กระพริบเทวดาก็ตาไม่กระพริบเพราะเขาไม่เป็นตของเขาตาและลูกตาก็ลูกตาก็แดงจัดแล้วก็ไม่มีเงาในลูกตาให้ท่านสังเกตนะแต่เพื่อขอ้ขอขอ้ขอข้อที่จริงปรากฏกับดาวประชาชนจึงขีดรอยไว้บนแผ่นดินเอาเหล็กคนนั้นวางไว้กลางรอยขีด ให้นางยศนีจับมือเด็กก็หญิงที่เป็นมัรดาจับเท้าแด้กก็พูดว่าอาลัจเจ้าทั้งสองโนชุดคล้าลูกไปถ้าลูกคนนี้ถ้าเป็นบมดของใครพวกคนนั้นจะสามารถนำเอาเด็กไปได้แนะ่เป็นการเสี่ยงทายแบบนี้เด็กเขาตายสิถูกไม่ถูกรูหลังที่รักใช้ปัญญาแบบนี้หน้าก็จะใช้ไม่ได้กับมัน ไอเด็กตัวเล็กนิดเดียวโดนฉุดมือฉุดเท้าไม่ตายนี่ตายแลไม่ตายฟังต่อไปนะจ๊ะจะได้รู้ว่าปัญญามอโสภณีขนาดไหนหญิงแล้วสองตา่งตางคนก็ต่างโดดเข้าตะครกกระชากเด็กเราจะเป็นสมบัติของตนตอนนี้มาหญิงแล้วสอนฉุดคราเด็กไอเจ้าเด็กตัวมันเล็กม่าเ ก, กิดความเจ็บคนมม่ได้ก็ร้องจาเส หญิงผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องก็สงสารแม้จะจะขาดใจก็ัวลูกจะตายจ็เลปล่อยเห็นลูกแล้วก็ยืนร้องไห้คิดว่าแพ้คนแล้วนานยักษ์เอาไปดึงไปสบายท่านโมฮหสัคนัลเบดีเจเนถามบรรดาระชาชนที่ประชุมกันว่าเห็นว่าใจของหญิงที่เป็นมรรดากับใจของหญิงที่ไม่ใช่บรรดาใครจะรักลูกสงสารเด็กมากกว่ากัน บรรดาประชาชนก็ตอกว่าแม่ต้องรักลกูกของสั่นลูกมากกว่าพระสุินถามว่าถ้าเช่นนั้นหญิงที่ปล่อยเด็กให้หลุดมือไปเนะ่ะเป็นแม่หรือว่าหญิงที่ฉุดลากเด็กไปอุ้มคนนั้นเป็นแม่บรรดาประชาชนก็บอกว่าหญิงที่ปล่อยทารกแล้วยืนร้องไห้คนนั้นต้องเป็นแม่ของเด็กแน่พระสุทธิ์ก็บอกว่าถูกแล้ว หญิงดที่ถูกชาติลากไปได้นั่นเป็นนางยักษินีเพราะไม่ใี่ลูกคนเพล่ไม่สงสารบรรดาประชาชนก็อู้หมายบรรดาประชาชนถามวารู้ได้ยังไงพระโสด่อว่าเพราะว่าตานางยักษินีนี่ยมันไม่กระพริบเลิกมีตาแดงตาไม่มีเงาถ้าเวหาฉันไม่ถามนางยักษวาเนี่แกเป็นใครนางยักษ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นนางยักษินีเจ้าค่ะนี่จะกินยังเท่า โมเสศถามต่อว่าเจ้าเอาทารกนี้ไปทำไมนางยะก็บอกจะเอาไปกินโมสดจึงกล่าวว่านางอันถานเจ้าทำบาปจึงเกิดเป็นยักษ์ศีบัดนี้ยังดีทานช่วยหรือเจ้าควรจะทำความดีไว้บ้างและโมเสศก็ให้นานยักษ์ีตั้งอยู่ในเบญสิงเพื่อรักษาสินหให้นำทารกมือคืนให้กับหญิงผู้เป็นมารดา มันดาได้รับบุตรก็ดีใจสรนเสริญชมโมโหสดแม้ตอนนี้เ็าปลูต้องรีบเล่าเพราะเวลามันหมดเป็นนั้นว่าข่าวนี้เราส่งไปถึงพระเจ้าวิเทหาราชตามเดิมเป็นนั้นว่าท่านเสนลกกาอจานอีสามคนคือเจ้าเท่าสราพธิจิตติเยาก็อบอกว่ายังไม่ใช่บัณฑิตเจ้าข้ารอก่อน สำหรับวันนี้อาจจะเลยเวลาไปนิดก็ขอไัยขอทุกท่านผู้รับฟังและลูกหลานที่รักจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนายังทุกประการสวัส ด, ดี